Book 2 81ปดสิบเอ็ด a ยนอินทัคต d e t ดีตการหนึ่งวันเขียนแได้เขียนเขียนจดหมายหนึ่งฉบับ ให้เขียน b r i e f และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ inscribe a a r d อ่าน leas เขาได้อ่านมิยาาตยสารหนึ่งฉบับ I leas a tight script. s c r i f f และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ซหยิบเนมเขาได้หยิบบุหรีหนึ่งมวนใหเอสริเธอได้หยิบช็อกแลตหนึ่งชิ้นซเนียมยติอเขาไม่ซื้อสัตว์แต่เธอซื้อสัตว์ ไอ้ภาอังมาร์ซภารเขาขี้เกียจแต่เธอขยันไอ้าษังกมาร์ซภาษาฝรงเขาจนแต่เธอรวยไอ้ภาอาร์มมาร์ซภาษไรกเขาไม่มีเงินมีแต่นี่ Het geen geld nie, maar skuld. เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ was เ e e. ขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุก was nie nie, maar ข์เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร Hy was nie sympathiek nie, maar onsympathiek.